ความเกิดขึ้นแห่งธรรมะเหล่าไหนย่อมปรากฏความเสื่อมแห่งธรรมะเหล่านยย่อมปรากฏความเป็นอย่างอื่นแห่งธรรมะนะที่ตั้งอยู่แล้วเหล่านหยย่อมปรากฏดังนี้ใชเธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะพึงพยากรณ์ว่าอย่างไรนนะความเกิดความเสื่อมความเป็นอย่างอื่นเนี่ยนะของธรรมะที่ตั้งอยู่แล้วนะสามคอย่างไหนอะที่มันปรากฏ ท่านพานนระนนท์กลับทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายความบังเกิดขึ้นแห่งรูปแปลย่อมปรากฏความเสื่อมแห่งรูปย่อมปรากฏความเป็นอย่างอื่นแห่งรูปที่ตั้งอยู่แล้วย่อมปรากฏนี่นะคือไอท้ที่ที่ปรากฏเนี่ยนะอะไรปรากฏที่ที่มันมีอยู่นะเป็นสิ่งที่ว่ามันเป็นของที่มีความเกิดขึ้นนะ มันเป็นของที่เสื่อมไปมันเป็นของที่แปรเป็นอย่างอื่นไปเนี่ยแล้วมันรู้ได้อันนั้นคืออะไรนั่นก็บอกว่าของรูปก็คือของขันห้านั่นแหละความบังเกิดขึ้นแห่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยย่อมปรากฏความเสื่อมแห่งวิญญาณย่อมปรากฏความเป็นอย่างอื่นแห่งวิญญาณที่ตั้งอยู่แล้วย่อมปรากฏเนี่ยนะเพราะไรเพราะขันห้านี่ปรากฏมีความเกิดขึ้นมีความเสื่อมและมีความ แปลเป็นอย่างอื่นเนี่ยนะธรรมชาติของขันธ์ห้าเป็นอย่างนั้นนะมีความเกิดขึ้นมีความเสื่อมแล้วก็แปรเป็นอย่างอื่นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านี้แหละที่ปรากฏนะพระองท่านนนก็บอกว่าดูก่อนอวุโสทั้งหลายความเกิดขึ้นแห่งธรรมะเหล่านี้ย่อมปรากฏความเสื่อมแห่งธรรมะเหล่านี้ย่อมปรากฏความเป็นอย่างอื่นแห่งธรรมะที่ตั้งอยู่แล้วย่อมปรากฏข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ ถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรณ์อย่างนี้พระองค์ก็บอกว่าสาทุสาธุว่าถูกแล้วถูกแล้วเข้าใจถูกต้องแล้วนะว่าขันห้านี่แหละมันเกิดขึ้นแล้วมันปรากฏใช่ไหมคือมันปรากฏว่ามันเกิดขึ้นนะมันปรากฏว่ามันเสื่อมปรากฏว่าเป็นอย่างอื่นเนี่ยนะแล้วก็ศัพท์ที่ทําความเข้าใจสามคำใช่ไหมขะ เ, ขเกิดขึ้นเสื่อมและเป็นอย่างอื่นเนี่ยนะบทว่าถิตัสะอัญญตัง ปัญญาญติอันนี้ไม่ขยายคําว่าเกิดกับเสื่อมขยายคําว่าเป็นอย่างอื่นเลยว่าเมื่อรูปยังดํารงอยู่คือเป็นอยู่ชราย่อมปรากฏเ น, นี่ยนะอ่านะเขาเขามองรูปมองแบบนี้ก่อนนะให้มองแบบหยาบก่อนเลยก็ได้ความเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมปรากฏก็คือปรากฏตั้งแต่เกิดมานะถ้าความเสื่อมแห่งรูปปรากฏตอนไหน <Okay. S 1> ก็ตอนตายอะ่ะ คือตอนเสื่อมก็คือตายนั่นเองถ้าความแปรไปแห่งรูปย่อมปรากฏคืออะไรก็ไอระหว่างที่นมันอยู่เนี่ยมันอยู่ด้วยชรามาตลอดเลยเตัวอีกครั้งหนึ่งนะว่าความเกิดขึ้นแห่งธรรมะเหล่านัยปรากฏความเสื่อมแห่งธรรมะเหล่านัยย่อมปรากฏแล้วก็ความเป็นอย่างอื่นเนี่ยนะไอเกิดก็รู้ไว้แล้วว่าเกิดเสื่อมก็คือตายจริงๆก็คือเสียหายแตกทาลาย แต่ถ้าระหว่างที่มันตั้งอยู่นี่มันตั้งอยู่ยังไงบอกตั้งอยู่โดยอาการชาราตอนที่มันเปลี่ยนไปอย่างอื่นผมยังนึกผิดไปเลยมผมนึกมันกลายเป็นเท่าทาน อ, อ๋อเอก็ขยายว่าคำว่าทิตะสะอัญญะถังปัญญายติเนี่ยนะปัญญายติเนี่ยนะแปลว่าปรากฏอัญญะถังก็เป็นอย่างอื่นทิตต ะ, ะก็คือตั้งอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อรูป ดำรงอยู่คือเป็นอยู่ชราย่อมปรากฏเนะนะนี่ยนะสันี้คำว่าถิติเป็นชื่อของการหล่อเลี้ยงกล่าวคือชีวิตตินซีเนี่ยนะนะที่ที่มาจากคำว่าที่ตั้งอยู่เนี่ยนะว่าความเป็นอย่างอื่นแห่งธรรมะที่ตั้งอยู่แล้วเนี่ยนะนะความเป็นอย่างอื่นแห่งธรรมะที่ตั้งอยู่อ่ะไอคำว่าเป็นอย่างอื่นเนี่ยหมายถึงชรา คำว่าไอ้ตัวที่ตั้งอยู่คืออะไรท่านบอกว่าเป็นชื่อของการหล่อเลี้ยงกล่าวคือชีวิตตินซีนะชีวิตดินซีถ้ามันตั้งอยู่เนี่ยมันถึงความชราใช่ไหมนะตอนแรกมันเกิดตอนหลังมันมันเสื่อมก็คือมันตายนะแต่ช่วงที่มันดํารงอยู่ดํารงอยู่โดยความชราอันนั้นถ้ายกชีวิตดินซีขึ้นมาก็พอแล้วนะ ยกชีวิตรูปนี่นะก็เห็นชัดนะชีวิตรูปชีวิตนามเหมนะเพราะให้ความสําคัญกับชีวิตตินซีเนี่ยมากก็เรียกว่ารูปร่างผิวพรรณสรนฐานเหมือนกันนะถ้าตอนที่มีชีวิตตินทรีย์กับไม่มีชีวิตตินรีเนี่ยนะความชิดเหมือนกันไหมคือสรุปมาครับว่าขันห้าเนี่ยจะปรากฏเมื่อชีวิตตินทรีย์เกิดขึ้นวันนึงเท่านั้ แล้วก็ขั้นที่สองก็ถ้ามันเสื่อมเสื่อมใช่ไหมเสื่อมก็หมายถึงมันตายจริงๆชีวิตอินทรีย์ที่เสียหายไปเลยไม่มีแล้วไม่มีแล้วแล้วก็เป็นอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นก็หมายความว่าจากเดิมมีแล้วไม่มีก็ความเกิดใช่ไหมถ้ามองเป็นเป็นชีวิตอย่างตลอดสายเลยกับคําว่าตาย อันนี้ก็เกิดนี่ก็เสื่อมไอ้ระหว่างการดํารงอยู่เนี่ยอย่างเนี้ยชื่อว่าการดํารงอยู่เนีย่ยนะถามว่าอะไรดํารงอยู่ท่านบอกว่าชีวิตดินซีชีวิตดินซีเนี่ยนะที่ดํารงหนึ่งดำรงอยู่ด้วยอะไรดํารงอยู่ด้วยชาราท่านถือว่าชาราชารามาตลอดเลยนะชีวิต ทีนี้ถ้าถ้าจะกล่าวอีกในหนึ่งเนี่ยนะชีวิตตินซีเนี่ยเป็นอะไรถ้าจะพูดแบบอภิธรรมมณันะจะพูดให้มันยากมันก็ยากอภิธรรมมณีเนี่ยชีวิตตินรีเป็นอ น, นะชีวิตรูปก่อนก็เป็นกรรมมัชรูปกรรมมชรูปเนี่ยเอ่อมันเกิดขึ้นยังไงบอกว่ากรรมมชรูปเกิดทุกอนุขณะจิตนะก็เขียนขึ้นเลยว่าจิต17ขณะ ถ้ารูปเกิดที่อุปาทขณะของดวงที่หนึ่งอย่างเงี้ยนะพังค่าขณะนี้ก็รูปก็จะแตกไปเพราะนั้นใครจะคิดว่านี่เกิดตรงเนี้ยคือเกิดตรงนี้คือเสือ่อมเชีวิตตินรีที่มันดำรงอยู่นี้ทั้งหมดเรียกว่าชรานะใครจะไปนั่งคิดสูตรแบบนี้อย่างเดียวนะคุณคิดนอุปาทะ นะอุปาทะของรูปอยู่นี่พังคัคขณะของรูปอยู่นี่ไอระหว่างนี่ชาราหมดเลยเนี่ยนะของรูปทุกกลาบด้วยนะเพราะว่าชีวิตตินซีเนี่ยมันมีที่ไหนบ้างมีชีวิตตินทรียรูปไหนบ้างก็ไล่ไปจากขู่ภาษาทะโสตะระสาทาะาคานะระสาทาา ะ, ะาทาชิวหาภาษาทะกายะประสาท่าหาทะยะภาวะเนี่ยนะ แล้วก็ชีวิตนวากะนะนะใครจะไปคิดแบบแบบแบบนี้ก็ได้ตามใจคิดวูปาทะถิติพังฆะเนี่ยมันเกิดมันต้องปาทะอย่างนี้นะมันเสื่อมมันต้องพังฆะอย่างนี้แล้วไอ้ระหว่างเนี่ยหูรวดเร็วมากแต่ในปนะัญญชพูดถึงตรงที่ว่าฉลาเนี่เป็นไปเป็นอย่างอื่นอ่คือ ถ้าเป็นการมองชีวิตแบบแบบแบบที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายจริงๆอ่ะนะโมท่ามองเกิดกับตายไอ้ที่ดำรงอยู่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเลยใช่ไหมชีวิตของค น, นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลายอยู่แ้วคือตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยนะก็เริ่มเปลี่ยนแปลงหรือถ้ามองแบบสะพานโค้งคุณมุนมีว่าก็ได้เปลี่ยนมาตลอดนั่นแหละแต่ว่าสะพานมันยังดูแข็งแรงอ่ะนะแต่ว่าชีวิตนี้ไม่ได้ขนาดนั้นอะไร ตรงที่ที่เราแท่เราจะสมงอลงใจรับเนี่ยก็สมงอเป็นอนิจจ์ชเนี่ยชราก็เป็นทุกข์อนิจจงคือตายตายก็เกิดอะอ น, นิจจงเออเกิดนี่ทุกข์ด้วยนะเกิดกับชราเนี่ยเป็นทุกข์อนิจจงเนี่ยเป็นอนิจจังเนี่ยเป็ น, อ น, น, เ, น, เ, ปนเออขอไปมรณะคืออ น, นิจจงชราเนี่ยเป็นทุกข์ครั้ง ก็มีสองในให้คิดนะคิดแบบพระสูตรหรือคิดแบบอริธรรมก็ได้คิดแบบอริธรรมก็เอาขณะจิตมาวัดรูปแต่ว่าจุดประสงค์ของคําสอนอ่ะเป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดอ่ะคุณคิดยังไงแล้วมันเบื่อหน่ายคลายกําหนัดนะเบื่อหน่ายในอุปาทานขันห้าถือว่าใช้ได้เนี่ยนะแต่ถ้าคิดแล้วมันฟุ้งซ่านนอนไม่ค่อยหลับขึ้นอะไรเนี่ยนะเครียดอันนี้ไม่ใช่คําสอนก็คิดใน ทีนี้ถ้ามองโดยอัาตาผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายเขาก็จะย่อชีวิตลงมาอีกค่อยๆย่อลงมาค่อยๆย่อลงมามองแบบอัธาแล้วมย่อเหลือเป็นถ้าละเอียดมาหน่อยก็จะเป็นสันติเนี่ยนะก็คือเป็นการ มองชีวิตเน่ยนะเช่นคาว่า ย, ย่อในที่นี้ก็คือแบบวิสุทธิมรรคว่านะท่านพิจารณาอยู่เจวิธีด้วยกันในการพิจารณารูปยกเจ้าพอรูปนะก็คือตอนแรกก็คืออาธานานิเคปะก็ตั้งแต่เกิดกับเกิดกับตายเนี่ยนะอย่างที่สองอความเสื่อมตามวัยนี่นะความเสื่อมแห่งวัยท่านก็ค่อยๆจัดชีวิตเช่นคนมีอายุร้อยปีก็หารสามก็เรียกว่าสามวัยอย่างเ้นนะ ถ้าไปแบ่งเป็นสิบก็เท่ากับสิบช่วงตามทศกะทุกๆุ0สิบปีถ้าลงมาก็ทุกๆ2สองปีละเอียดมาก็ทุกปีแล้วก็ถ้าหนึ่งปีก็แบ่งออกเป็นอะไรเป็นฤดูเนี่ยนะแบ่งละเอียดลงมาอีกก็เป็นข้างขึ้นข้างแรมนะพอละเอียดลงไปกว่าข้างขึ้นข้างแรมก็วันคืนถ้าวันคืนก็แบ่งออกเป็นเช้า ก, กลางวันเย็นหัวค่าดึกแล้วก็ใกล้รุ่งเนี่ยนะก็เป็นหกละเอียดลงมากว่านั้นอีกก็ ก็มีเท่านั้นแห ล, ละเกรียดลงมาอีกกว่านั้นก็ยกย่างหย่อนเหยียบย้ายยันอะไรพวกนี้อันนี้ละเอียดแล้วยกย่างเหยียบย้ายยันแต่แล้วก็ละเอียดไปกว่านั้นอีกก็คืออันนี้นี่เฉพาะวโยวยะวุฒังธรรมเนี่ยนะอย่างที่สามก็คือพิจารณาตามสมุทฐานคืออาหารสมุทฐานอย่างหนึ่งจิตตะสมุทฐานอย่างหนึ่งกรรมสมุทฐานอย่างหนึ่งอุตตสมุทฐานอย่างหนึ่งแล้วก็ธรรมดารูปมันก็มีเจ็ดหัวข้อ ม่วไอฐานไอตรงสมุทฐานนี่นอาสมุฐ า, านก็ว่าไปตามสมิทธม่ว่าสมุทฐานหมดรูปหมดก็ว่าไปตามสมุทฐานนั้นไปเช่นจิตตสมุทฐานนี่นะอ่าก็ถ้าเราต้องเอาปัจยุปันมาตั้งก่อน <c oughs> คาว่าปัจยุปันอนะ่ะเช่นว่าร่างกายทั้งหมดเลยนะคือปัจยุปันคือผลถ้าปัจัยคือกรรมก็มองว่า กรรมนะนะในบรรดาชนะกรรมอุปถัมพระกรร ม, อ, รมอุปปีและ ก, กรรมเนี่ยนะมันเกี่ยวข้องกับกรรมมาสรูปเหล่านี้ยังไงเนี่ยนะอันนี้เครียกพิจารณาโดยกรรมถ้าพิจารณาโดยจิตก็แล้วว่าแต่ละแต่ละช่วงอ่ะคนเขาคิดอะไรอยู่แล้วมันมีผลต่อรูปเหล่านั้นนั้นยังไงแล้วก็แต่ละช่วงเขาบริโภคอาหารอะไรแล้วอาหารที่เขาบริโภคมันมีผลยังไงต่อต่อชีวิตของเขาเนี่ยนะ แล้วก็อุณหภูมิเนี่ยนะถ้าไปช่วงตากแดดกับช่วงอยู่ที่เย็นๆหรืออย่างเงี้ยมันแตกต่างกันยังไงก็วิเคราะห์ปต่จะยุบันไปแล้วก็ธรรมดารูปก็คือหัดเอาต้นไม้ใบหญ้ามาคิดถึงความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มากขึ้นอ้าวก็เจ็ดแล้วกรรมจิตอุตวอาหารก็สี่ธรรมดาอีกหนึ่งะตอนแรกก็วโยยะ อันนะั้นคืออาถานะนิเคปะก็ที่สองก็ตามลำดับวัยนะก็ครบเจ็ดแล้วสังเขปโดยพิสดารก็พึงพึงศึกษาแต่วิสุทธิมัตต์ปัญญานิเทศสัมมสาสัญานิเทศ เ, เถิด <c oughs> ธรรมดารูปก็คือพวกต้นไม้ใบหญ้า ว่าธรรมดาของมันเนี่ยมันเช่นตั้งตั้งกับเริ่มทักทกพวกที่ต้นไม้เนี่ยนะก่อนที่มันจะออกใบมันเป็นยังไงมันจะออกเป็นปุ่มเรื่อนๆๆนนเนิดนิดก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยปุ่มค่อยใหญ่ขึ้นแล้วออกมาเป็น น, นะกว่าจะมาเป็นยอดเป็นใบอ่ะนะแล้วใบค่ค่อยเจริญเติบโตมากขึ้นเปลี่ยนสีไปเรื่อยนะจากสีแรกๆก็แดงเรื่อเรื่อนหน่อยนานนนเข้าเป็นยังไง เขียวก็ไปตามนั้นนะนะในที่สุดอะไรเหลืองผลของความเหลืองก็คือร่วงนะนะก็อย่างเงี้ยไปคิดแบบเนี้ยนะเออมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดนะต้นไม้ใบหญ้าก็เกิดการเปลี่ยนแปลง น, น, นะนะก็ท่านยกตัวอย่างให้เท่านั้นนะนะที่เหลือก็ไปคิดเอาว่าไอ้ตะกูลสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยก็ไปไข้ควรแบบนี้ก็เหมือนกับผู้การเล่าให้ฟังมันก่อนก็ได้ถ น, นนเนี่ยท่านมันไม่ถึงยี่สิบปีแล้วไนงะ เอาแบบนั้นก็ได้เอาแบบนั้นมาคิดเยอะๆนะฮะนี่เรียกว่าพิจารณาธรรมดารูปว่าธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละหมายถึงกลุ่มรูปสมุทฐานนะหรือรถยนต์เนี่ยเห็ น, นมันกินกี่ปีแล้วคันนี้บอกได้เลยว่ามันใช้กี่ปีเนี่ยนะเติมน้ำมันสักกี่ครั้งวิ่งได้สักกี่พันกิโลเนี่ยนะหรือยางเส้นนี้ยมันใช้งานได้เท่าไหร่เนี่ยนะคนที่มีความสามารถเรื่องรถเข้ามองออกเลย ชีนะเขาก็เกิดการเปรียบเทียบภายในเหมือนกันเนี่ยนะย้อนเข้ามาหาไอ้หลักที่เคยพิจารณาเนี่ยนะแล้วก็พิจารณาภายในภายนอกเขาต้องมาพิจารณาจนหมดอะมันถ้าถ้ากล่าวให้ตรงนะไอการไข้ควรอันนี้มันเป็นเรื่องของของคนที่ทุ่มเทอันเนี้ยเป็นอาชีพเลยว่างั้นเถอะที่ที่จะพิจารณาได้ละเอียดมากนะเนะีเพราะว่าในคําสอนถ้ากล่าวโดยละเอียดจริงๆอะเขากล่าวชีวิตตั้งแต่ตั้งแต่ตื่นนอนปับ๊บจนถึง จนถึงหลับเนี่ยนะนั่นก็เช้ามาจนถึงเช้าใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วมันเกี่ยวข้องกับอะไรนะเขาเอามาพิจารณาหมดเลยไม่มีเหลือแม้แต่ชิ้นเดียวในระหว่างนั้นทั้งหมดเลยนะโดยที่สุดแม้กระทั่งว่าหลับหลับแล้วมันฝันแล้วทำไมมันจึงฝันและความฝันมันมีกี่ชนิดเนี่ยนะติรนขึ้นมาเนี่ยวิธีไหนแรกก่อนที่มันเติรนขึ้นอะไรเขาวิเคราะห์หมดละเนี่ยนะจิตในทวารหกอะไรเกิดขึ้นบ้างนะมีรูปอะไรมีอะไรเขาไขขวนหมดเลยไม่มีเหลือแม้แต่ชิ้นเดียว ถ้าถ้ากล่าวแบบนี้ก็คือตามแนวตรายรักซึ่งอธิบายนะอัตถกถาอธิบายว่าอุปาโทชาติอัคขาโตพังโควุตโตว โ, ตโยติจะอัญญัตตังชราพุตตาติจะอนุปาลนาความเกิดขึ้นเรียกว่าชาติความดับเรียกว่าอวยะความแปรปรวนเรียกว่าชาราความหล่อเลี้ยงเรียกว่าิติสี่คำนะความเกิดขึ้นเรียกว่าชาติ ความดับเรียกว่าไวเนี่ย น, นะวยะนะัยอนันเสื่อมหรือดับนั่นแหละความแปรปรวนชื่อว่าชราความหลอเลี้ยงชื่อว่าทิติขันแต่ละขันมีลักษณะสามอย่างคืออุปาทะชราและพังคะด้วยประการชนี้ที่พระองค์หมายถึงตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายสังคตะลักษณะคือลักษณะแห่งสังคตะเหล่านี้มีสามอย่างนี่นนะ ก็ในในติกานิบาทนะแสดงไว้สูตรนี้อ้างติกานิบาศในคำนั้นที่ชื่อว่าสังคตะได้แก่สังขารชนิดใดชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่ปัจจัยคำว่าสังคตะลักษณะคือธรรมะที่เกิดจากปัจจัยแต่สังขารไม่ชื่อว่าลักษณะสังขารกับลักษณะนี่คนละอันลักษณะก็ไม่ชื่อว่าสังขารคือลักษณะก็อย่างหนึ่งสังขารก็อย่างหนึ่งคนละอย่างกัน แต่ว่าเว้นลักษณะเสียใครๆก็ไม่อาจบัญญัติสังขารได้ถ้าเว้นลักษณะก็ชื่อว่าสังขารไม่ได้นี่นะแต่ว่าสังขารย่อมปรากฏ ด, ด้วยลักษณะลักษณะก็อย่างหนึ่งสังขารก็อย่างหนึ่งนะบอกว่าถ้าจะรู้ได้ด้วยอุปมาผมยังไม่เข้าใจเมื่อ10ปีที่แล้วผมจดไว้ น, นีผมก็ยังไม่เข้าใจกัอยู่เนี่ยนะแบ่งมาลึกซึ้งมากนะตรงนี้ไม่เข้าใจอยู่ เหมือนอย่างว่าลักษณสังขารมันยังไงโคล้านกันเดีนะจะอธิบายต่อไปนะให้อุปมาฟัง อ, อุปมาก่อนเหมือนอย่างว่าแม่โคนั่นแหละไม่จัดว่าเป็นตัวลักษณะตัวโครจริงๆกับลักษณะโคนะอย่างโคอะอย่างลักษณะนั่นแหละเป็นแม่โคคือคือลักษณะนั่นนะนะมันไม่ใช่แม่โครหรอกไอตัวแม่โคมันก็ไม่ใช่ลักษณะ แม้ลักษณะแมลักษณะเสียก็ไม่อาจบัญญัติว่าแม่โคได้คือถ้าไม่มีลักษณะนะจะเรียกว่าโคได้ไหมไม่มีลักษณะให้รู้ได้ว่าอันนี้เป็นโคนะมันก็บอกว่าเป็นโคไ่ไดแ้แม่ละแม่โคก็ไม่อาจบัญญัติลักษณะได้ไอลักษณะทั้งหลายก็ต้องอาศัยแม่โคแต่แม่โคย่อมปรากฏด้วยลักษณะฉันใดข้ออุปมานี้ก็พึงทราบฉันนั้นนะนะ เช่นไอคำว่าแม่โคะนะก็คือตัวแม่โครจริงๆเลยถ้าลักษณะก็คือรูปร่างสาันฐานผิวพันธ์มันหูมันแหวง่งหรือว่ามันด่างมันสูงน้ําหนักมันเท่าไหร่มัน เ, เป็นยังตัวเล็กหรือว่ามันอายุกี่ปีอะไรทั้งหลายอั น, นประกาศลักษณะนั้นลักษณะกับแม่โคนี่คนละอันกันถ้าว่าโดยสภาพนะเช่นลักษณะเออขอไปตัวสังขานเนี่ยนะรู้ด้วย จากครูวิญญาณก็รู้แล้วแต่ลักษณะรู้ด้วยมโนวิญญาณเนี่ยนะถ้าว่าโดยวิธีนะี่คิดเอาอะนะเช่นความคือตัวคนกับสภาพที่ชาราเนี่ยอันเดียวกันไหมอันนะแล้วไอลักษณะที่บอกว่นน า, านี้ชรานะมอันเดียวกันไหมลักษณะที่ชารากับตัวชาราเนี่ยอันเดียวกันไหมไม่ใช่ แต่ถ้าไม่มีตัวชรานะไอลักษณะที่ชรามันจะจะมีไหมไม่มีแต่ถ้าไม่มีลักษณะจะรู้ได้ไหมว่าชราก็รู้ไม่ได้เพราะลักษณะตัวตัวลักษณะนะเป็นบัญญัติตัวลักษณะเนี่ยเคยพบบางบางท่านบอกว่าเป็นบัญญัติตัว น, นะตัวสังขารอ่ะนะเป็นสภาวะคือเป็นขันห้านะ คือ <c oughs> คือสรุปว่าการที่จะเข้าถึงลักการที่จะรู้จักขันห้ า, าศั ย, <ด>ยลักแท้จริงก็คืออาศัยลักษณะนี่แหละจึงทําให้เห็นเข้าถึงขันห้าที่แท้จริงถ้าไม่มีลักษณะเช่นการเกิดขึ้นก็นดีชราก็นี้เสื่อมก็ดีเนี่ยนะครับก็ก็เท่ากับว่าไม่ได้เห็นขันห้าถูกไหมครับใช่ นะเดี๋ยวต่อไปอนิดหนึ่งเดี๋ยวค่อยกล่าวให้เต็มรวมในบรรดาขณะทั้งสามนั้นอุปาทัคขณะแห่งสังขารทั้งหลายก็ดีอุปาทขณะอ่ะ น, นะอุปาทะลักษณะก็ดีขณะแห่งสังขาร น, นั้นอ่ะ น, นะกล่าวคือกาละก็ดีย่อมปรากฏเมื่อกล่าวว่าอุปาเทติย่อมเกิดขึ้นอ่ะ น, นะสังขารก็ดีอ่ะ น, นะลักษณะ ชราลักษณะก็ดีลักษณะแห่งสังขาร น, นั้นกล่าวคือกาละก็ดีย่อมปรากฏพังคณะสังขารก็ดีสังขารลักษณะก็ดีขณะแห่งสังขาร น, นั้นกล่าวคือกาละก็ดีย่อมปรากฏานะก็ก็แบ่งเป็นช่วงๆไปนะก็เอาเวาลานะเอาเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่อาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่าขึ้นชื่อว่าชราขณะแห่งอรูปธรรม ท, ทั้งหลายใครๆไม่อาจบรรยัติได้ คือไม่สามารถบัญญัติความชราของนามธรรมได้ mm. และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสว่าความเกิดขึ้นแห่งเวทนาย่อมปรากฏความเสื่อมแห่งเวทนาย่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่ความแปรปรวนย่อมปรากฏทรงบัญญัติลักษณะสามแม้แห่งอรูปธรรมนนะคืออรูปธรรมก็ได้ลักษณะสามเหล่านั้นเพราะอาศัยขณะปัจจุบันเพราะนั้น ทันกล่าวดังนี้แล้วจึงสำแดงความสำเร็จความนั้นตามอ จ, จริยคถานี้ว่าความที่ทำทั้งปวงเป็นปัจจุบันท่านเรียกว่าทิติขณะความแตกแห่งรูปนั้นแลของสรรพสัตว์ในกาละทุกเมื่อเรียกว่ามรณนะเนคือที่ที่มันดำรงอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คืออะไรคือทิติขณะใช่ไหมคือความชราถ้าสิ่งเหล่านี้แตกดับแตกทาลายก็เรียกว่า มรณะอ น, นึ่งท่านยังกล่าวว่าพึงทราบปานะปราณปานะคือปราณนะนะด้วยอำนาจสันตติอันเน้นไปที่สันตติก็เพราะเหตุที่ในพระสูตรไม่มีความแปลกกันฉะนั้นตามมติของอาจารย์ก็ไม่พึงเพิกถอนพระสูตรพึงกระทาพระสูตรเท่านั้นให้เป็นสำคัญนนะตรงนี้ท่านก็เอานะตามอาาริยคถาอาจารย์บางท่านบอกว่าหมายถึงสัน ต, ตินะ เน้นไปที่การพิจารณาสาตตันติผมเรียกรึซึ่งเพราะว่าสงสัยมานานเหมือนกันครับว่า <C oughs> ไอ้ไอ้ไอ้ไนามขันเนี่ยไอ้รูปขันนั้นพอเข้าใจว่าเห็น <c oughs> เห็นลักษณะเห็นการเกิดกันเอาเอาเนี้ยนะคำว่าลักษณะเนี่ยแปลว่าอะไร <c oughs> เอาใหม่ทบทวนอีกครั้งนะลักษณะโดยสับแปลว่าอะไร <c oughs> การตนัทลักษณะแปลว่าอะไร เป็นศัพท์ที่ใช้เกลือที่สุดเลยนะคำว่าลักษณะเนี่ยนั่นนี่ส่วนขยายให้เห็นลักษณะแปลว่ากําหนดคือกําหนดได้ว่าอะไรมันเป็นอะไรนะเช่นเช่นว่านะผู้การเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้อาจารย์มินิตมีลักษณะอย่างนี้ก็แปลว่ากําหนดเด้อกำหนดแบบนี้นะเรียกว่าผู้การกาหนดแบบนี้เรียกว่าอาจารย์มินิตอย่างเงี้ยนะ ก็คือแยกแยะให้มันรู้ว่าใครเป็นใคระนะสายลักษณะลักษณะแปลว่ากําหนดคือกําหนดเอาอะไรมากําหนดว่าผูกการเอาอะไรมากําหนดว่าอาจารย์มินิสเนี่ยนะก็นั่นแหละลักษณะโดยสัมแปลว่ากําหนดนทีนี้ถ้าถ้าพิจารณาเนี่ยนะไอไอลักษณะเนี่ยทั่วๆไปก็มีเครียกว่าวิเสสะลักษณะ หรืออีกชื่อหนึ่งว่าปัจจัตะลักษณะก็คือกําหนดความพิเศษกับกําหนดความเฉพาะตัวพิเศษกับเฉพาะตัวนี่อันเดียวกันเช่นกําหนดพิเศษของปัทวีคืออะไรกักขระแปลว่าหยาบเนี่ยนะกักขะนะกักขะทั่วทวไปก็แปลว่าหยาบในคนนี้กักขะมากนะปัทวีก็มีลักษณะยังไงก็บอกบกักขะ หยาบอะ น, นะเพราะฉะนั้นความพิเศษเฉพาะตัวของปัทวีคือคือแข็งหรือหยาบเนี่ยนะเพราะใ น, นคำว่าลักษณะของปัทวีก็คือความพิเศษของปัทวีอ่ะที่มันพิเศษจากคนอื่นก็คือมันหยาบถ้าอาโปอาปติก็คือเออบอักถ้าเตโชก็ทำให้ไหม้หรือเผาหรืออบอุ่นพวกนี้นะหรือถ้าวาโยโก็ไหว เนีนะหรือเคลื่อนเคลื่อนไปเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าเฉพาะตัวหรือเวทนาสวยอารมณ์เป็นถ้าจะกําหนดว่าอะไรเป็นเวทนานะก็กําหนดไปที่มันสวยอารมณ์เนี่ยนะเพราะในคาว่าลักษณะแปลว่ากําหนดโดยสัตว์นะแต่ว่าที่เขาเข้ามาเรียกว่าเช่นกําหนดว่าแข็งก็คือลักษณะของวิเศษศาักด์เฉพาะตัวของปฐวีคือแข็งนี่ยนะอันนี้ลักษณะในที่หนึ่ง ในที่สองคือสามัญลักษณะสามัญเนี่ยแปลว่าทั่วไปใช่ไหมทั่วทั่วไปเหมือนเหมือนกันหมดนั่นแหละทีนี้ถ้าจะแยกนะวิเศษลักษณะอย่างนี้เขาจะเริ่มแยกยังไงแยกตามขันันนนเช่นว่ารูปเวทนา นะสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณรูปเนี่ยถ้าว่าโดยลักษณะว่ารวมๆมันนะรูปปณลักษณะลักษณะเฉพาะตัวของรูปเลยรูปปณแปลว่าสลายไป น, นะนะหรือแปรไปแปลง่ายๆไทยๆเราก็บอกมันตายอ่ะของมันตายเป็นอ่ะนะของเสียหายถ้าเวทนาว่าโดยรวมๆ ลักษณะคือเออขอไปทั้งหมดเลยนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณลักษณะน้อมไปน้อมเพื่อรู้อารมณ์เนี่ยนะเป็นธรรมชาติที่น้อมไปที่รู้อารมณ์อันนี้ถ้าว่าแบบแยกกลุ่มรวมรวมใหญ่ๆถ้าซอยมาละเอียดอีกรูปที่มีสภาวะลักษณะมีสิบแปดรูปหรือนิพนธนรูปสิบแปดจะมีขอไปจะมีปัจจัตตะเฉพาะตัวเนี่ยนะ มีความวิเศษเฉพาะตัวมีอยู่18รูปเนี่ยนะเวทนาเนี่ยนับ1ก็ได้นับ2ก็ได้นับสามก็ได้นับสี่ก็ได้หรือนับหทั่วไปก็จะเน้นนับสกับนับหถ้านับหนึ่งอ่ะหคือสเสวยอารมณ์เนี่ยนะคือวิเศษของความพิเศษของเวทนาที่ไม่เหมือนอย่างอื่นเลยคือสเสวยอารมณ์หรือเฉพาะตัวของเวทนาคือสเสวยอารมณ์ถ้าแบ่งเป็นสอง สุขทุก ข, ข์อุเบกขาสงเคราะห์เป็นสุขเถ้าแบ่งเป็นสามสุขทุกข์และอุเบกขาถ้าแบ่งเป็นหโดยอินทรีย์ก็สุขขินสีทุก ข, ขินสีโทมนัสินสีโทมนัสินสีอุเบกินสีอ่ะนะอันนี้พูดถึงความพิเศษหรือเฉพาะตัวของเวทนา